พระาศาสดาตรัสว่าพระนางผุดสดีราชบุตรีผู้เรืองยศได้ทรงสดับคำที่พระราชโอรสและพระสุนิสาพร่ำสนทนากันทรงคร่าครวนละห้อยให้ว่าเรากินยาพิษเสียดีกว่าเราโดดเหวเสียดีกว่าเราเอาเชือกผูกคอตายเสียดีกว่าเหตุไหนชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่ เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิดเหตุไหนชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิดผู้เป็นปราดเป็นทานนบดีควรแกการขอไม่ตรณีเหตุไหนชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิด อันเท้าพยาบูชาผู้มีเกียรติมียศเหตุชไหนาชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิดผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาประพฤติ ท, ท่อมตนต่อผู้ใหญ่ในราชสกุลเหตุชไหนาชาวนครสีพีจึงจะให้ขับไล่เจ้าเวสันดรลูกรักผู้ไม่มีความผิด ผู้เกื้อกูลแก่พระเจ้าแผ่นดินแก่เทพเจ้าแก่พระประยุรยาธและมิสหายผู้เกื้อกูลทั่วรัฐสีมามนทนพระนางพุสดีกราบทูลว่าชาวนครศรีพีจะให้ขับพระราชโอรสผู้ไม่มีความผิดเสียรัฐมนทนของพระองค์ก็จะเป็นเหมือนรังพึ่งร้างเหมือนผลมะม่วงหล่นลงบนดินฉะนั้น พระองค์ถูกพวกอมาตะละทิ้งแล้วจะต้องลำบากอยู่พระองค์เดียวเหมือนหงมีขนปีกหลุดลำบากอยู่ในหนองอันไม่มีน้ําฉะนั้นข้าแต่มหาราชเพราะฉะนั้นหม่อมชั้นคอกกราบทูลพระองค์ว่าประโยชน์อย่าได้ล่วงพระองค์ไปเสียเลยขอพระองค์อย่าทรงขับไล่พระราชโอรสผู้ไม่มีความผิด เพราะถ้อยคำของชาวนครสีพีเลยพระเจ้าสัญชัยตรัสว่าเราทำความยำเกรงต่อพระราชประเพณีจึงขับไล่พระราชโอรสผู้เป็นธงของชาวสีพีเราจำต้องขับไล่ลูกของตนถึงแม้จะเป็นที่รักยิ่งกว่าชีวิตของเราพระนางพุทธดีตรัสว่า แต่ปางก่อนยอดธงเคยแห่ตามเสด็จพระเวสสันดรดังดอกกัณนิกาบานวันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต่พระองค์เดียวแต่ปางก่อนยอดธงเคยแห่ตามเสด็จพระเวสสันดรดังป่ากัณนิกาวันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต่พระองค์เดียวแต่ปางก่อนกองทหารรักษาพระองค์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 ใช้ผ้ากำพลแดงจากเมืองคันทาระมีสีเรืองรองเหมือนแมลงข่อมทองเคยตามเสด็จพระเวสสันดรวันนี้พระเวสสันดรจะเสด็จแต่พระองค์เดียวแต่ปางก่กนพระเวสสันดรเคยเสด็จโดยช้างพระที่นั่งวอและรถทรงวันนี้จะเสด็จดำเนินด้วยพระบาทอย่างไร พระเวสสันดรเคยลูบไล้อง์ด้วยจุนแก่นจันทร์คลึกครื้นด้วยการฟ้อนรำขับร้องวันนี้จักทรงแบกหนังเสืออันหยาบขวานและหาบเครื่องบริขารไปได้อย่างไรพระเวสสันดรเมื่อเสด็จเข้าไปอยู่ป่าใหญ่ชะไหนไม่มีผู้ขนเอาผ้าย้อมน้ำฝาดและหนังเสือไปให้ พระเวสสันดรเมื่อเสด็จเข้าไปอยู่ป่าใหญ่ชไหนไม่มีผู้จัดผ้าเปลือกไม้ให้พวกคนที่เป็นเจ้านายบวชจะทรงผ้าเปลือกไม้ได้อย่างไรเนาะเจ้ามัสยีจกนุ่งห่มผ้าคากรองได้อย่างไรเจ้ามัสยีเคยทรงแต่ผ้ากาสิกพัทผ้าโคมพัทและผ้าโกทุมพารพัท เมื่อต้องส่งผ้าคากรองจะกระทาอย่างไรเจ้ามัสีผู้มีรูปร่างสวยงามเคยเสด็จด้วยคารหามวอและรถส่งวันนี้จะเสด็จเดินทางด้วยประบาทได้อย่างไรเจ้ามัสีผู้มีรูปร่างสวยงามมีฝ่าประหัดอ่น อ, อนนุ่มไม่เคยทำงานหนักเคยตั้งอยู่ในความสุข วันนี้จะเสด็จเดินทางด้วยพระบาทได้อย่างไรเจ้ามัดสีผู้มีรูปร่างสวยงามมีฝ่าพระบาทอ่น อ, อนนุ่มไม่เคยเสด็จดำเนินด้วยพระบาทเคยตั้งอยู่ในความสุขทรงสวมฉลองพระบาททองเสด็จดำเนินไปราวกับว่าเหน็ดเหนื่อยวันนี้จะเสด็จเดินทางด้วยพระบาทได้อย่างไร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 เจ้ามัดสีผู้มีรูปร่างสวยงามขวัญอ่อนได้สดับเสียงนกฮูกอินทสโครคำรามร้องก็กลัวตัวสัน่นเหมือนนางวารุนีวันนี้จะเสด็จเดินป่าได้อย่างไรเมื่อกล้าวกระหม่อมฉันมาสู่นิเวศอันว่างเปล่านี้จกเศร้ากำสดประทมทุก์สิ้นกาลนานดังแม่นกถูกพรากลูก เห็นแต่ร nah ังอันว่างเปล่าซบเซาฉะนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จักสู้ผอมเหมือนแม่นกถูกพรากลูกเห็นแต่รังอันว่างเปล่าสู้ผอมอยู่ฉะนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมฉันไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จักวิ่งพลานไปตามที่นั้นๆดังแม่นกถูกพรากลูกเห็นแต่รังอันว่างเปล่าก็พลานไปอยู่ฉะนั้น เมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นมาสู่นิเวศอันว่างเปลา่านี้จากเศร้ากำสดประทมทุกขสิ้นกาลนานดังนางนกออกถูกพรากลูกเห็นตรางอันว่างเปล่าซบเซาอยู่ฉะนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จากสู้ผอมเหลืองดังนางนกออกถูกพรากลูกเห็นตรางอันว่างเปล่าซบเซาอยู่ฉะนั้น เมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จักวิ่งพลานไปตามที่นั้นๆดังนางนกออกถูกพรากลูกเห็นแต่รังอันว่างเปล่าก็พลานไปอยู่ฉนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นมาสู่นิเวศอันว่างเปล่านี้ก็จักเศร้ากาสดระทมทุกข์สิ้นกาลนานเป็นแน่แท้ เหมือนนางนกจากพรากซบเซาอยู่ในหนองอันไม่มีน้าฉะนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมชัน้นไม่เห็นลูกรักทั้งสองก็จักสู้ผอมเหลืองเป็นแน่แท้เหมือนนางนกจากพรากสู้ผอมอยู่ในหนองอันไม่มีน้ำฉะนั้นเมื่อกล้าวกระหม่อมชั้นไม่เห็นลูกรักทั้งสองจักวิ่งพล่านไปตามที่นั้นๆเป็นแน่แท้ เหมือนนางนกจากพรากพลานไปอยู่ในหนองอันไม่มีน้ำฉะนั้นเมื่อเกล้ากระหม่อมชั้นพร่ำเพอทูลอ้อนวอนอยู่อย่างนี้ถ้าพระองค์ยังจะทรงให้ขับไล่พระราชบุตรผู้ไม่มีความผิดเสียจากแว่นแคว้นเกล้ากระหม่อมชั้นเห็นจะต้องสละชีวิตเป็นแน่พระศาสดาตรัสว่า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 พระเวสสัดนดรผู้ไม่มีความผิดเสียจากแว่นแคว้นก็เปรียบเหมือนช่วยกันตัดต้นไม้อันทรงผลต่า ง, างๆฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลายชาวนาครสีพีพากันขับไล่พระเวสสัดนดรผู้ไม่มีความผิดเสียจากแว่นแคว้นก็เปรียบเหมือนช่วยกันตัดต้นไม้อันให้สิ่งที่ต้องการทุกอย่างฉะนั้นท่านผู้เจริญทั้งหลาย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 ตะโพกงามเอวบางร่างน้อยแล้วเสด็จออกจากเว้นแคว้นของพระองค์พระเวสสันดรพระราชทานแม่โคนมเจ็ดร้อยตัวพร้อมด้วยภาชนะเงินสำหรับรองน้ำนมทุกๆตัวแล้วเสด็จออกจากเว่นแคว้นของพระองค์พระเวสสันดรพระราชทานทาสีเจ็ดร้อยและทาส7เจ็ร้อยแล้วเสด็จออกจากเว้นแคว้นของพระองค์ พระเวสสันดรพระราชทานช้างมา้ารถและนารีอันประดับประดาอย่างสวยงามและเสด็จออกจากเว้นแคว้นของพระองค์ในการนั้นได้มีสิ่งที่น่ากลัวขนพองสยองเกล้าเมื่อพระเวสสันดรพระราชทานมหาทานแล้วแผ่นดินก็วันไหวครั้งนั้นได้มีสิ่งที่น่ากลัวขนพองสยองเกล้า พระเวสสันดรทรงประคองอัญชลีสเสด็จนิราชจากแว่นแคว้นของพระองค์ครั้งนั้นเสียงดังกึกก้องกลาหนหน้าหวาดเสียวเป็นไปในพระนคร น, นั้นว่าชาวนาครสีผีจะขับไล่พระเวสสันดรเพราะทรงบริจาคทานพระองค์ก็ยังทรงบริจาคทานอีกพระาศาสดาตรัสว่า เมื่อพระมหาราชาผู้ประดุงแว่นแคว้นของชาวสีพีให้เจริญจะเสด็จออกวั น, นิพกเหล่านั้นก็สุดลงไปเป็นดังคนเมาคนเหน็ดเหนื่อยพระเวสสันดรกราบทูลพระเจ้าสัญชยัยทำมิกราชผู้ประเสริฐว่าขอเดชะขอพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดในประเทศหม่อมฉันเถิดหม่อมชันจะไปยังภูเขาวงกฎ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 เบียดเบียนชาวนครของตนเมื่อออกจากแว่นแคว้นของตนเพราะถ้อยคําของชาวสีพีหม่อมฉันจะต้องได้เสวยความลำบากนั้นๆในป่าอันเกลื่อนกล่นด้วยพารามลึกเป็นที่อยู่อาศัยของแรดและเสือเหลืองหม่อมฉันจะกระทําบุญทั้งหลายจะไปสู่เขาวงกฎ